ปัญหาข้อที่10อธิบายและตอบปัญหาเรื่องบ้านผีสิงอำนาจอาถรรกับสถานที่เคยมีการฆ่าการทารุณแม้วิญญาณหรือโอปปปาติกานั้นไม่อยู่แล้วทำไมจึงมีพลังร้ายคงอยู่สะสมในวัตถุและสิ่งแวดล้อมได้นานจนคนปกติยังสัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวหรือในด้านดีที่สะสมในวัตถุมงคลเรื่องเหล่านี้เป็นได้จริงแค่ไหนอย่างไร ปัญหาข้อที่10อำนาจอาถรรพ์ในหนังสือเอสเทลโรเบิร์ตบทที่หเป็นบทที่กล่าวถึงเรื่องบ้านผีสิงในบทนี้ทั้งบทเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องผีสิงในบทที่สที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วความจริงในตอนนี้ควรจะอธิบายเรื่องการพยากรณ์โดยการจับต้องสิ่งของก่อนเพราะเป็นบทที่ต่อกันมาจากบทที่สาม แต่เพราะเหตุที่เรื่องบ้านผีสิงในบทที่ห้าเป็นเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องผีสิงในบทที่สามเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้อธิบายปัญหาข้อนี้ไว้ในลำดับนี้ในบทที่ห้านี้ปัญหาอันแรกที่อาจจะมีคนสงสัยก็คือเรื่องเตียงอุบาทซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งที่เอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไว้ดังนี้พอดิันเข้าไปในห้อง ก็รู้ทันทีว่ามีความชั่วร้ายสิ่งอยู่ที่นั่นแล้วพลังงานชั่วร้ายที่สิ่งอยู่นั้นมีความรุนแรงเหลือเกินจึงกระทั่งส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจของดิฉันอย่างมากทําให้รู้สึกได้ชัดเจนอย่างยิ่งจากนั้นดิฉันก็รู้เหตุการณ์ที่เป็นมาแต่เบื้องหลังอันเกี่ยวกับเตียงนี้โดยตลอดดิฉันได้เล่าให้ผู้ที่อยู่ในที่นั้นฟังโดยไม่ได้หยุดคิดหรือลังเลแต่ประการใดเตียงนี้เป็นเตียงแบบฝรั่งเศส ที่ทำขึ้นโดยอาศัยแรางงานของคนในท้องถิ่นนั้นและเตียงนี้ได้เคยเข้าไปตั้งอยู่ในห้องใหญ่ของคฤ ห, หาสน์ของท่านในยุคผู้หนึ่งดิฉันลาเห็นคนคนหนึ่งนอนหลับอยู่บนเตียงจากนั้นก็มีผู้เข้ามาลอบแทงเขาจนตายในขณะนอนหลับนั่นเองรันแล้วคนฆ่าก็เที่ยวค้นไปทั่วห้องเพื่อหาเอกสารบางอย่างซึ่งดิฉันรู้ดีว่าเขาจะหาไม่พบเลย เอกสารนั้นถูกซ่อนอยู่อย่างดีในขาเตียงข้างหนึ่งที่เขาทำเป็นโพรงข้างในไว้เมื่อหลังจากหาเอกสารดังกล่าวไม่พบแล้วเจ้าคนฆ่าก็ลากเอาซากศพลงมาจากเตียงแล้วโยนร่างนั้นลงไปในคลูอันที่จริงเท่าที่เล่ามานี้เป็นฆาตกรรมครั้งที่สามที่ได้เกิดขึ้นบนเตียงนอนตัวนี้ผู้เป็นเหยือ่อฆาตกรรมรายแรกถูกวางยาพิษ และคนที่สองก็ถูกทุบจนตายโดยที่ศีรษะของผู้เป็นเหยื่อนั้นแหลกละเอียดจนกระทั่งโลหิตไหลเปรอะเปื้อนไปทั้งเตียงนอนนั้นผู้เป็นเจ้าของปัจจุบันได้รับรองกับดิฉันว่าที่ดิฉันเล่ามานี้ตรงกับรายละเอียดที่เขาได้รับมาจากแหล่งอื่นเหมือนกันเธอได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีผู้ที่ตั้งใจจะมาซื้อหลายคนแต่ละคนพอมาเห็นแล้วก็ไม่มีใครชอบ และยอมซื้อไปได้สักรายผู้เป็นเจ้าของในปัจจุบันให้ความเห็นซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยว่าผู้ที่ตั้งใจจะมาซื้อนั้นคงจะได้รับพลังอันชั่วร้ายจากเตียงนี้นั่นเองแม้ว่าพวกคนเหล่านั้นจะไม่รู้ความเป็นมาของเตียงนี้ก็ตามเธอได้บอกว่าเธอได้เรียกช่างมาให้ซ่อมแซมเตียงนี้ไม่นานหลังจากที่ได้ซื้อมาแต่เมื่อช่างมาถึง ทำการสำรวจดูทั่วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ขอทำอะไรเกี่ยวข้องกับเตียงนี้อีกต่อไปช่างได้บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเตียงนี้ผมรู้สึกไม่ชอบเลยรู้สึกคล้ายๆกับว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมและผมไม่ขอแตะต้องเตียงนี้เลยอย่างเด็ดขาดต่อมาหญิงผู้เป็นเจ้าของเตียงนี้เองก็รู้สึกถึงพลังหรืออำนาจอันชั่วร้ายที่แฝงอยู่กับเตียงนี้ แล้วเริ่มจะเชื่อว่าน่าจะมีความจริงอยู่บ้างเกี่ยวกับความกลัวของช่างคนที่กล่าวแล้วนี้มาถึงระยะนี้เองที่ดิฉันได้ถูกตามตัวไปดูและดิฉันก็แน่ใจว่าประวัติที่ดิฉันทราบมานี้จะต้องเป็นความจริงทุกอย่างเพราะความประทับใจที่ดิฉันได้รับจากเตียงนี้นั้นแจ่มชัดเหลือกเกินจนไม่สามารถจะแปลออความหมายเป็นอื่นไปได้การที่เตียงนี้มีผีสิงนั้น ก็เกิดจากบุคคลที่ถูกแทงนั้นยังมีความห่วงกังวลอยู่กลัวว่าเอกสารที่ซ่อนไว้นั้นจะหายไปเสียซึ่งเอกสารนั้นอาจจะมีความหมายอย่างยิ่งแก่ทายาทผู้รับมรดกหรือสมบัติของเขาในยุคต่อมาจากเรื่องที่เอสเทลโรเบิร์ตเล่ามาให้ฟังนี้มีปัญหาอยู่หลายอย่างที่น่าสงสัยซึ่งถ้าไม่เข้าใจหลักวิชาแล้ว ก็อาจจะเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เช่นเมื่อเอสเทลเข้าไปในห้องที่มีเตียงอุบาทนั้นตั้งอยู่เขารู้สึกว่าได้รับพลังอันชั่วร้ายมาจากเตียงนั้นปัญหามีอยู่ว่าเตียงได้รับพลังอันนี้ไว้ได้อย่างไรเพราะปรากฏว่าวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าตายบนเตียงนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วแสดงให้เห็นว่า พลังที่เอสเทลได้รับนั้นมาจากเตียงไม่ใช่มาจากวิญ ญ, ญาณของผู้ตายเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามอปปปาติกะองค์ที่เคยตอบปัญหาบ่อยๆและท่านได้อธิบายให้ฟังว่าโดยธรรมดาวัตถุทุกอย่างยอมจะรับหรือดึองดูดพลังของวิญญาณที่อยู่ล้อมรอบได้เสมอเพราะในวัตถุทุกอย่างก็มีวิญ ญ, ญาณอยู่แล้วซึ่งวิ ญ, ญญาณที่ว่านี้ หมายถึงพลังวิญญาณที่เป็นเหตุให้เกิดโครงสร้างและคุณสมบัติของวัตถุคำว่าวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโอปปาติกะแต่วัตถุต่างๆนั้นจะรับพลังของวิญญาณได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุและความแรงของกระแสวิญญาณที่แผ่ออกมาวัตถุบางอย่างเช่นน้าหรือของที่นามาใช้ทาเป็นเครื่องราง ฉันคีพึงได้สายศินดินหรือโลหะบางอย่างดังที่เห็นกันอยู่ทั่ ว, วไปนั้นวัตถุเหล่านี้ได้พิสูจน์กันมาแล้วว่าใช้เป็นสื่อรับกระแสวิญญาณได้ดีฉนั้นจึงได้นำมาใช้กันหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้ในการทดลองของญี่ปุ่นก็ค้นพบว่า พลังงานจากจิตสามารถถ่ายทอดลงวัตถุและพิสูจน์ได้ชัดนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนกระแสจิตที่เป็นกุศลเมื่อเพ่งลงไปในน้ำจากการทดลองจะพบว่ากลายเป็นผลึกที่สวยงามกระแสจิตที่เป็นอกุศลเมื่อเพ่งไปในน้ำน้ำจะมีผลึกรูปร่างน่าเกลียดเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบซึ่งนับว่าเป็นการทดลอง ที่พิสูจน์ได้ว่าพลังจิตพลังกุศลอกุศลมีจริงและแผ่ออกไปสะสมในวัตถุได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัตถุได้เช่นกันและอีกประการหนึ่งแม้วัตถุที่นำมาใช้เป็นเครื่องรางนั้นจะใช้เป็นสื่อได้ดีก็ตามแต่ถ้าผู้ที่ทำการปลุกเสกมีอำนาจจิตไม่แรงวัตถุนั้นก็รับไว้ได้น้อย หรือบางทีอาจจะรับไว้ไม่ได้เลยก็ได้สำหรับในประเด็ดนนี้เคยพิสูจน์กันมาแล้วเช่นพระเครื่องรางองคไหนได้เข้าพิธีปลุกเสกอย่างถูกต้องมาแล้วจากผู้ที่มีอำนาจจิตสูงเช่นพระของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นต้นเมื่อวางพระไว้ในมือแล้วเข้าสมาธิไปดูก็จะเห็นแสงซึ่งแผ่ออกมาจากองค์พระนั้นและจะรู้สึกว่ามีความเยือกเย็นทาให้ใจสดชื่น เพราะพระที่ท่านเสกไว้มุ่งให้มีผลในทางเมตตาแต่ถ้าเป็นพระที่ปลูกเสกไว้เพื่อหวังผลในทางอยู่โยงคงกระพันก็จะมีรัศมีเป็นอีกอย่างและความรู้สึกที่ได้รับก็เป็นอีกอย่างและถ้าเป็นเครื่องรางประเภทที่เขาปลูกเสกไว้เพื่อให้มีผลในทางไม่ดีก็จะรู้สึกร้อนอย่างนี้เป็นต้นส่วนเครื่องรางที่ยังไม่ได้ปลูกเสก หรือก้อนกรวดก้อนหินธรรมดาเมื่อเข้าสมาธิไปดูแล้วจะไม่มีผลอะไรเลยรัศมีก็ไม่มีจากตัวอย่างที่พิสูจน์ได้นี้จึงทำให้เชื่อว่าวัตถุทุกอย่างสามารถดึงดูดพลังวิญญาณที่อยู่ล้อมรอบได้จริงแต่อย่างไรก็ดีบางคนอาจจะสงสัยว่าวัตถุเครื่องรางที่สามารถรับพลังวิญญาณจากผู้ที่ปลุกเสกได้ ก็ เ, เพราะได้ทำพิธีปลุกเสกแต่ในกรณีของเตียงอุบาทนี้ไม่ได้ทำพิธีปลุกเสกแต่เหตุไฉนเตียงจึงสามารถรับพลังอันชั่วร้ายนั้นไว้ได้ปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามท่านเหมือนกันและท่านได้อธิบายให้ฟังว่าก่อนอื่นขอพยายามศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่าโดยธรรมชาติพลังวิญ ญ, ญาณย่อมมีอยู่ทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ในวัตถุที่เป็นของแข็งหรือของเหลวเท่านั้นในบรรยากาศทั่วไปก็มีพลังของวิญญาณแทรกซึมอยู่เหมือนกันเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กและในกรณีที่มีการฆ่ากันบนเตียงนั้นความรู้สึกอันรุนแรงของผู้ที่ถูกฆ่ารวมทั้งความรู้สึกของผู้ที่ฆ่าซึ่งก็มีความรุนแรงไม่น้อยกระแสจิตที่ออกมาจากบุคคลทั้งสองนี้ จะทําให้บรรยากาศในบริเวณนั้นเปลี่ยนรูปซึ่งหมายความว่าจะทําให้พลังของวิญญาณที่มีอยู่ในบรรยากาศกลายเป็นพลังที่ชั่วร้ายไปด้วยและพลังอันนี้ก็จะเข้าแทรกซึมอยู่ในอากาศและในวัตถุที่อยู่ในบริเวณนั้นคือแปลว่าไม่เฉพาะแต่เตียงเท่านั้นที่ได้รับพลังอันชั่วร้ายนี้ในบรรยากาศทั่วบริเวณนั้นก็มีพลังอันชั่วร้ายนี้ด้วย ข้อนี้เราจะสังเกตได้เช่นถ้าหากเราเข้าไปในบริเวณที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นบ่อยๆหรือเข้าไปในซ่องของพวกอันตพานเข้าไปในบ้านร้างที่มีโอปปาติกะร้ายร้ายเสียงอยู่ในสถานที่อย่างนี้สําหรับคนที่มีตัวเป็นสื่อจะรู้สึกถึงบรรยากาศในที่นั้นๆว่าไม่เหมือนกับที่อื่นๆแต่สําหรับคนที่ไม่มีตัวเป็นสื่อหรือมีแต่น้อยก็อาจจะไม่รู้สึก เรื่องอย่างนี้ได้เป็นที่รู้กันทั่วโลกบางคนที่ไม่เข้าใจถึงหลักวิชาในเรื่องนี้และตัวเองไม่เคยได้รับกระแสจากวิญญาณที่มีอยู่ในสถานที่ต่างๆก็มากล่าวหาว่าคนที่รู้สึกสังห อ, อย่างนั้นอย่างนี้เป็นพวกที่มีอุปาทานซึ่งเข้าหมายถึงว่าความรู้สึกสังหอ น, นั้นเกิดจากความยึดถือที่เคยชินมาก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแต่สาหรับคนที่เข้าใจในเรื่องนี้และมีตัวเป็นสื่อ ทุกคนจะสามารถยืนยันถึงความสังหรณ์ได้ตรงกันซึ่งแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญความจริงอย่างนี้ควรจะรับฟังไว้บ้างและด้วยเหตุนี้เองเมื่อเอสเทโลเบิร์ตเข้าไปใกล้เตียงอุบัตินั้นจึงได้รู้สึกถึงพลังอันชั่วร้ายนั้นได้อย่างรุนแรงเพราะเอสเทโลเบิร์ตมีตัวเป็นเสื่ อ, อยู่มาก